จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพระรหัสที่2ี่กันยายนพุทธศักราช2553เป็นวันขึ้นส5ข้าค่ำเดือนสิบเป็นวันพระวันธรรมมัสวานณะ วันฟังธรรมวันเสริงสร้างบุญบารมีที่จะนำพาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายได้ไปสู่สุขติบุญบารมีนี้เป็นเหมือนกับยานพาหนะที่จะพาผู้ใดาสารคือดวงจิตดวงใจของญาติโยมทั้งหลายได้ไป สู่พบที่ดีตั้งแต่พบมนุษย์ขึ้นไปไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเป็นเทพเป็นธมไปเป็นพระอริยเจ้าไปบรรลุมรรคผลนิพพานนี่คือยานพาหนะที่จะพาใจไปสู่จุดหมายปลายทางที่พวกเราทุกคนปรารถนากันถ้าไม่มียานพาหนะ ก็จะไม่สามารถไปได้และยานพานะนี้ก็มีต่างกันมีเช่นมีจักรยานมีรถโมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์มีเครื่องบินมีจรวดยานแต่ละชนิดนี้ก็มีความเร็วไม่เท่ากันบุญบารมีที่เราสะสมกันนี้ก็เช่นเดียวกันบางท่านก็สะสมน้อยก็ได้จักรยานไปก่อน บางท่านสะสมมากขึ้นก็ได้มอเตอร์ไซค์บางท่านมากกว่านั้นก็ได้รถยนต์บางท่านก็ได้เครื่องบินบางท่านก็ได้เช่ารถอยู่ที่ว่าสร้างมากสร้างน้อยถ้าสร้างมากก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วถ้าสร้างน้อยก็ไปได้ชา้าดังนั้นพวกเราจึงควรที่จะสร้างบุญบรารมีให้มากที่สุด เท่าที่เราจะสามารถทำได้บุญบา ร, รมีนี้มีอยู่สิบประการด้วยกันเหมือนกับรถยนต์ที่มีชิ้นส่วนต่างๆกันรถยนต์มีล้อมีพวงมาลัยมีคันเร่งมีเบรกฉันใดยานพาหนะคือบุญบา ร, รมีนี้ก็มีชิ้นส่วนต่างๆอยู่สิบส่วนด้วยกัน คทานบารมีสอศีลบารมี3เนคขมบารมี 4. เมตตาบารมี 5. ปัญญาบารมี 6. อุเบกขาบารมี7อธิษฐานบารมี 8. วิริยบารมี9ขันติบารมี10บ นึกไม่ออกก็ได้แค่ก้าวไปก่อนเดี๋ยวนึกออกจะบอกให้นี่คือบารมีต่างๆที่เราจำเป็นที่จะต้องสร้างกันให้เกิดขึ้นบารมีข้อแรกนี้จะเป็นบารมีที่เราทำกันอยู่เสมอนั่นก็คือทานบารมีทานบารมีก็คือการให้สิ่งของต่างๆ ข้าวของเงินทองที่เรามีเหลือกินเหลือใช้อย่างวันนี้ญาติโยมก็ได้เอากับข้าวกับปลาอาหารของข้าวของหวานมาถวายพระเราจะให้ใครก็เป็นทานบา ร, รมีเช่นเดียวกันให้พระก็เป็นทานบา ร, รมีให้คาววะญาติโยมด้วยกันก็เป็นทานบา ร, รมีให สัตว์เดรัจฉานเช่นสุนัขแมวก็เป็นทานบารมีเหมือนกันต่างแต่ที่อนิสงค์ของบารมีต่างๆเหล่านี้จะมีมากน้อยต่างกันถ้าเราให้ทานบารมีกับผู้ที่มีบารมีมากเช่นพระพุทธเจ้าเราก็จะได้รับแบ่งบารมีจากท่านด้วยก็คือปัญญาบารมี เวลาเราทำบุญกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็จะแสดงธรรมจะสอนธรรมะให้กับเราเราก็จะได้ปัญญาบารมีซึ่งพระพุทธเจ้านี้จะมีมากที่สุดในบุคคลทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครจะมีปัญญาบารมีเท่ากับพระพุทธเจ้า <c oughs> ดังนั้นถ้าเราทำทาน กับผู้ที่มีบา ร, รมีมากเราก็จะได้ส่วนแบ่งบา ร, รมีคือปัญญาบา ร, รมีมาด้วยถ้าเราทำกับผู้ที่ไม่มีบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีเช่นเราทำทานกับสุนัขเราก็จะไม่ได้รับส่วนแบ่งทางปัญญาบา ร, รมีเพราะสุนัขเขาไม่มีปัญญาบา ร, รมีเราจะได้ก็เพียงแต่ทานบา ร, รมีเท่านั้นเอง เช่นวันนี้ญาติโยมมาวัดมาทาบุญกับพระภิกษุสามเณรญาติโยมนอกจากได้ทานบารมีก็ได้ปัญญาบารมีด้วยก็คือได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของทพุทธเจ้าที่จะบอกทางให้แก่ญาติโยมสู่จุดหมายปลายทางที่ญาติโยมต้องการจะไปกันเช่นวันนี้ก็ได้ยินแล้วว่า ถ้าอยากจะไปสุขคติก็ต้องสร้างบุญบารมีสร้างทานบารมีแล้วก็ต้องสร้างศีลบารมีศีลบารมีนี้ก็มีหลายระดับเช่นเดียวกันเหมือนรถยนต์ที่มีหลายระดับมีหลายราคามีราคาเป็นแสนก็มีราคาเป็นล้านก็มีราคาเป็นสิบสิบล้านก็มีฉันใดศีนก็มีหลายระดับเช่นเดียวกัน มีสินห้ามีสินแมีสิน227ีมีสิน300กว่าขึ้นอยู่กับสถ า, านภาพของผู้ที่จะถือสินนั้นว่าปรารถนาจ ะ, จะถือสินชนิดใดอย่างวันนี้ญาติโยมก็มีความปรารถนาที่จะถือสินห้ากันก็เลยได้สมาทานสินห้า แต่สำหรับผู้ที่ปรารถนาศีลที่สูงกว่านี้มากกว่านี้ก็สามารถที่จะสมาทานได้ด้วยตนเองไม่จำเป็นต้องให้มีพระเป็นผู้บอกศีลเพราะการที่จะมีศีลหรือการที่จะรักษาศีลได้นั้นมีอยู่สามวิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือสมาทานศีลอย่างที่ญาติโยมมาสมาทานกัน คำว่าสมาทานก็คือขอรับศีลจากพระแต่ไม่ได้เอาศีลของพระไปศีลของพระนิยมเอาไปไม่ได้เพียงแต่มารับรู้ให้พระบอกให้รู้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างอย่างที่เมื่อกี้ได้แสดงไปศีลห้าก็มีการเล่เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณี พูดปดมดเทศและเสพสุรายาเนานี่คือศีลห้าซึ่งเป็นศีลของคาราวาดญาิโยมถ้าเป็นแม่ชีเป็นนักบวชเขาก็จะถือศีลแปศีลสิบหรือศีลสีิบถ้าเป็นพระภิกษุศีลเหล่านี้จะเป็นองค์สำคัญที่จะพาให้ ไปสู่สุขติเป็นเหมือนพวงมาลัยถ้าเรามีพวงมาลัยเราก็จะสามารถบังคับรถยนต์ของเราให้วิ่งไปตามถนนได้ถ้าเราไม่มีพวงมาลัยรถมันก็จะวิ่งไปตามภาษีภาษาของมันก็อาจจะแหกโค้งอาจจะตกถนนตกเหวไปได้ดังนั้นเราต้องมีศีล ถ้าเราอยากจะไปสู่จุดหมายปลายทางคือสุกตนะิถ้าไม่มีศีลแล้วอาจจะไปทุกติไปอบายแทนผู้ใดที่ไม่ได้รักษาศีลผู้นั้นไม่จะไม่ได้ไปสู่สุกติจะต้องไปเกิดในอบายแทนที่จะได้มาเป็นมนุษย์ก็จะมาเป็นสุนัขมาเป็นแมวเป็นต้น เพราะไม่ได้มีศีลนี้เองดังนั้นเราก็ต้องเจริญศีลบารมีให้มากถ้าเราอยากจะไปสู่สุคติอย่างแน่นอนคือตาโคพนี้แล้วภพหน้าจะต้องได้ไปเป็นมนุษย์อีกเราก็ต้องรักษาศีลยย่งมกว่าชีวิตต้องรักษาศีลห้านี้ให้ได้ยิ่งกว่าชีวิตคือยอมตายดีกว่ายอมเสียศีล ให้เราไม่มีเงินซื้อกับข้าวกับปลาอาหารมารับประทานเราจะไม่ไปลักขโมยของของผู้อื่นมารับประทานยอมอดตายดีกว่าที่จะไปลักขโมยข้าวของเงินทองเพื่อจะได้ไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารมารับประทานถ้าเรากล้า มีความกล้าที่จะรักษาศีลยี่กว่าชีวิตตายไปเราจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ทันทีและจะมีภพชาติของมนุษย์ไม่เกินเจดชาติแค่นั้นเองเพราะเราได้บรรลุ ถ, ถึงขั้นพระโสดาบันแล้วพระโสดาบันนี้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าเกิดมาแล้วย่อมมีการดับเป็นธรรมดา ย่อมมีความตายเป็นธรรมดาอย่างนั้นจึงไม่กลัวตายแต่กลัวการที่จะไปเกิดในอบายด้วยการทำผิดศีลมากกว่าท่านจึงไม่ไปเกิดในอบายเพราะท่านมีฮิริโอตปะฮิริแปลว่าความอายโอตปะแปลว่าความกลัวบาปอายที่จะทำบาปกลัวที่จะต้องไปชดใช้ วิบากกรรมของการทำบาปคือจะต้องไปเกิดในอบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานบ้างไปเป็นเปรตบ้างไปตกนรกบ้างนี่คือที่ไปของผู้ที่ไม่รักษาศีลห้าส่วนพระโสดาบันนี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นกฎแห่งกรรมท่านรู้แล้วว่าทำบุญได้ไปสู่สุขติ ทำบาปจะต้องไปสู่อบายอย่างแน่นอนส่วนความตายนี้ท่านก็รู้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาจะทำบุญหรือไม่ทาบุญหรือจะทำบาปก็จะต้องตายเช่นเดียวกันแต่ทำบุญแล้วเวลาตายไปไปสวรรค์ไปสู่สุกติกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าทำบาปแล้วอาจจะอยู่ต่อไปอีกระยะหนึ่ง แต่จะต้องไปเกิดในอบายคิดแล้วว่าได้ไม่คุ้มเสียได้อยู่ต่อไปอีกไม่กี่ปีแต่จะต้องไปใช้กรรมในนรกอีกไม่รู้กี่กี่ร้อยกี่พันปีนี่คือพระโสดาบรนท่านเป็นอย่างนี้ท่านมีดวงตาเห็นธรรมท่านเห็นกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนเห็นว่า ทำบาป ก, ก็ต้องไปนรกต้องไปเกิดในอบายทำบุญก็จะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทพเป็นพร <c oughs> ท่านจึงพร้อมที่ยอมตายดีกว่าต่อสู้เพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ <c oughs> เช่นเวลามีผู้อื่นจะมาทำร้ายชีวิตท่านท่านจะไม่ต่อสู้จะไม่ทำร้ายชีวิตของของเขาปล่อยให้เขาฆ่า แต่ก่อนยาฆ่าก็สอนธรรมะเข้ก่อนสอนว่าฆ่าแล้วมันขาดทุนฆ่าแล้วจะต้องไปตกนรกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสอนผู้ที่ถูกจ้าง ม, มาให้ฆ่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนเขาว่าฆ่าเราแล้วนี่ไปตกนรกนะไม่ได้ไม่ได้ไปสวรรค์ได้เงินมาไม่กี่สตางค์ แต่ไม่คุ้มกับผลที่จะต้องรับต่อไปหลังจากที่ตายไปแล้วพอเขาได้ยินได้ฟังอย่างนั้นเขาก็ไม่กล้าเขาก็กลัวบาปเขาก็เลยไม่ฆ่าพระพุทธเจ้านี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราทําได้อย่างน้อยที่สุดเราก็ให้ปัญญาบารมีกับเขาได้สอนเขาให้รู้ว่าบาปบุญคุณโทษเป็นอย่างไรมีผลอย่างไร พอเขาทราบแล้วเขาก็จะได้ไม่กล้าทําเขาก็จะไม่กล้าฆ่าเราเราก็จะไม่ตายแล้วเขาก็ไม่ต้องไปตกนรกได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายดีกว่าป้องกันตัวเราเองด้วยการฆ่าเขาเขาก็ตายเขาก็ไปอบายไปนรกเพราะเขาตั้งใจจะฆ่าเราเราก็ไปนรกไปอบายเพราะเราก็ฆ่าเขาเราทําบาป ดังนั้นขอให้เรามีฮิริมีโอตปะมีความละอายในการทำบาสมีความกลัวบาศอย่าไปละอายในการที่เราเป็นคนยากจนหรือมีเสื้อผ้าไม่สวยงามไม่สวมใส่ไม่มีเครื่องสำอางไว้มาแต่งหน้าแต่งตาทาปากความสวยทางร่างกายนี้มันไม่ใช่เป็นความสวยที่แท้จริง ความสวยที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ใจที่มีศีลหรือไม่มีศีลใจที่มีศีล น, นี้เป็นใจที่สวยงามดังนั้นขอให้เราแต่งใจของเราด้วยศีลด้วยธรรมอย่าไปกังวลกับเรื่องความสวยงามของร่างกายไม่มีเงินไปซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่ก็อย่าไปรักขโมยเงินมา หรือไปลักขโมยเสื้อผ้าของผู้อื่นมาสวมใส่ใส่ไปตามมีตามเกิดของเราก็พอขอให้เรามีความซื่อสัตย์สุจริตแล้วเราจะเป็นที่น่ารักน่าเลื่อมใสน่าศรทาัทธาน่าเคารพน่ากราบไหว้บูชาต่อผู้อื่นนี่คือความสวยงามของมนุษย์ของสัตว์โลกทั้งหลายก็คือสวยได้ศีนี้เอง นี่คือเรื่องศีลบารมีส่วนเรื่องในธรรมบารมีนี้ก็คือการแสวงหาความสุขทานใจหาความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบนั่งสมาธิเดินจงกรมเจริญสติม ร, รา น, านุตานตาสติก็ได้พุทธานุสติก็ได้กายกตาสติก็ได้ คือให้จิตลำลึกถึงพุโทโธพุธโทโธไปหรือให้จิตลำลึกถึงความตายไปเรื่อยๆหรือให้ลำลึกถึงอาการสาสบสองของร่างกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทำใจให้อยู่กับให้มีสติอยู่กับอารมณ์เหล่านี้แล้วใจจะสงบเย็นจะกำจัดกามตันหา คือความใคร่ในการที่จะเสกการมได้จะสามารถรักษาสินแปรได้อย่างสบายจะไม่มีความรู้สึกอยากจะไปหลับร่วมหลับนอนกับซากศพหรือกับผู้ที่มีอาการสาสองคือมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกมีเยื่อในกระดูกมีม้ามหัวใจตับปอดมีอวัยวะต่างๆที่ไม่สวยไม่งาม และมีสิ่งที่เป็นปฏิกูลต่างๆเช่นปัสสาวะอุจจาระน้ำเหงือ่อน้ำอะไรต่างๆที่ต้องถูกขับออกมาจากร่างกายถ้าเจริญกายกะกตาสติคือพิจารณาอาการ32อยู่เรื่อยๆแล้วก็จะไม่มีความคร้ที่อยากจะเสกกลาก็จะสามารถรักษาสิ่ข้อส ที่เรียกว่าอะพรมม จ, จริยาเวรมณีได้คือละเว้นจากการเสดกางไม่ว่าจะเป็นคู่ครองหรือไม่ก็ตามถ้าถือศีลห้าก็ยังสามารถเสดกามได้แต่ต้องเสดกับคู่ครองคือต้องเสดกับสามีภรรยาเท่านั้นแต่ถ้าถือศีลแปก็จะต้องไม่เสดไม่ร่วมหลับนอนกับคู่ครองเลย นอนกันคนละห้องอย่านอนใกล้กันเพราะเดี๋ยวเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้วมันจะยับยั้งไม่ได้เหมือนน้ำมันกับไฟอย่าไปเอาไว้ใกล้กันเดี๋ยวมันจะลุกขึ้นมาได้ผู้ที่ถือสินแปลกก็จะต้องอยู่ห่างจากสิ่งที่ยั่วให้เกิดอารมณ์กามอารมณ์ขึ้นมาเช่นผู้หญิงก็ต้องอยู่ห่างจากผู้ชาย ผู้ชายก็ต้องอยู่ห่างจากผู้หญิงเป็นต้นนอกจากนั้นแล้วก็ยังต้องอยู่ห่างจากเครื่องบันเทิงต่างๆเพราะการบันเทิงนี้ก็เป็นเป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเป็นการมารณมอีกแบบหนึ่งเช่นการดูหนังฟังเพลงร้องลัมทำเพลงแต่งเนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีสวยสวยสดงดงามเหล่านี้เป็นการ เป็นการสร้างกามอารมณ์ให้เกิดขึ้นถ้ามีการอารมณ์แล้วใจจะไม่มีความสงบไม่มีความสงบก็จะไม่มีความสุขก็จะมีแต่ความหิวความอยากกับการอารมณ์อยู่เรื่อยๆดูเท่าไหร่ก็ไม่รู้จกักพอฟังเท่าไหร่ก็ไม่รู้จกักพอแต่งเนื้อแต่งตัวให้สวยขนาดไหนก็ไม่รู้จกักพอจะไม่มีความสุขเพราะจะต้องคอยแสวงหา ความสุขแบบนี้อยู่เรื่อยๆดังนั้นผู้ที่ถือสีแปะก็จะต้องหลีกเลี่ยมสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะได้ทาจิตใจให้สงบได้จิตใจที่ไม่สงบก็เพราะมีนิวรณ์ที่เรียกว่าการมันทะนิวรณ์นี้คืออุปสรรคที่จะขวางกาั้นการทําจิตใจให้สงบผู้ที่ต้องการทําจิตใจให้สงบ จึงต้องละการมฉันทะให้ได้คือละความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะต่างๆไม่ดูสิ่งที่ชอบไม่ฟังสิ่งที่ชอบให้ให้ดูแต่หนังสือธรรมะให้ฟังแต่เสียงธรรมะที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบได้นี่คือเรื่องของผู้ที่ถือศีลแปด เรียกว่ากำลังเจริญเนคข ม, มะบาณีคำว่าในคข ม, มะแปลว่าการออกจากการมาสุขการไม่แสวงหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้งกายทุกวันพระจึงเป็นธรรมเนียมของญาติโยมผู้ที่เคยถือศีลห้าเป็นปกติจะถือศีลแปเป็นวันพิเศษ เพื่อที่จะเพิ่มบารมีขึ้นมาอีกข้อหนึ่งวันธรรมดาก็ถือศีลห้าวันพระก็ถือศีลแปหรือผู้ที่มีบารมีแก่กล้าพอก็จะถือศีลแปดไปตลอดบางท่านก็ถือตลอดพรรษาสามเดือนบางท่านก็มาบวชเป็นพระภิกษุถือศีล2อ7ิข้อเหล่านี้เรียกว่าเป็นนิคัมมะบารมี ที่จะพาให้จิตใจนั้นได้ก้าวสู่สุขติได้ก้าวสู่มรรคผลนิพพานตามลำดับต่อไปนอกจากนั้นเราก็ต้องเจริญปัญญาบรารมีคือการฟังเทศฟังธรรมศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการศึกษาวิชาความรู้ทางโลกนี้ไม่เรียกว่าปัญญาบรารมีเพราะไม่สามารถที่จะ ดับความทุกข์ในใจของสัตว์โลกได้มีปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าทางนั้นที่จะดับความทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายได้เพราะเป็นคำสอนที่เห็นความจริงของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรนั่นเองพระพุทธเจ้าที่ทรงตัดสรู้ก็ตัดสัรู้ความจริงอันนี้ที่รู้ว่าความทุกข์ใจ นี่เกิดจากความอยากต่างๆความอยากนี่แหละเป็นตัวสร้างความทุกข์ไม่ใช่ความยากจนไม่ใช่ความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ใช่ความแก่ไม่ใช่ความตายไม่ใช่การพลดพลากจากกันและกันที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ความอยากที่จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากยากจนไม่อยากแก่ไม่อยากตาย นี่ต่างหากที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเรายอมรับความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยยอมรับความตายยอมรับการพัดพรากจากกันเราก็จะไม่ทุกข์เพราะเราจะไม่มีความไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายไม่อยากพัดพรากจากกันนี่คือปัญญาทางพระพุทธศาสนาไม่มีความรุน อื่นใดในโลกนี้ที่จะรู้อย่างนี้ได้มีพระพุทธเจ้าเป็นเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถค้นคว้าค้นพบความรู้อันนี้ได้เมื่อพระองค์ทรงรู้แล้วพระองค์ก็สามารถดับความทุกข์ทั้งหมดที่มีอยู่ในพระไทยของพระองค์ได้จนหมดสิ้นไปพระองค์จึงได้นาเอาความรู้นี้มาสั่งสอนให้แก่พวกเรา เวลาที่เราฟังธรรมเราจะรู้ว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้สอนเพื่อให้เราตัดความอยากทั้งนั้นเช่นทําทานนี่ก็เป็นการตัดความอยากความอยากรวยนี่เองถ้าเราทําทานแล้วเราก็จะไม่อยากรวยเพราะว่าเราต้องเอาเงินที่เรามีอยู่นี้มาให้แก่ผู้อื่นเราก็จะไม่รวย แต่การไม่อยากรวยนี้กับจะทําให้เรามีความสุขเวลาที่เราอยากรวยเราจะมีความทุกข์ทั้งๆ ท, ที่เรามีพอมีพอกินอยู่แล้วแต่เรากลับไม่มีความสุขเพราะความอยากรวยทําให้เรารู้สึกว่าเราอาภัพวาสนาน้อยหน้าน้อยตาสู้คนอื่นเขาไม่ได้ก็เลยเกิดความทุกข์ขึ้นมา แต่พอเราไม่อยากจะรวยเท่านั้นเราก็จะไม่รู้สึกอาภัพวาสนาเราจะรู้สึกสบายใครอยากจะรวยก็รวยไปใครอยากจะทุกข์ก็ทุกข์ไปแต่เราไม่อยากจะทุกข์เราไม่อยากจะรวยเราอยากจะอยู่ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่รวยแต่พระพุทธเจ้าไม่ทุกข์เพราะพระพุทธเจ้าไม่มีความอยากจะรวยนั่นเอง นี่คือตัวอย่างของความอยากต่างๆที่จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทำต่างๆนี้ก็เพื่อตัดความอยากทั้งหลายนี่เองนี่คือปัญญาบา ร, รมีขอให้พวกเราพยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะเกิดความฉลาดมากยิ่งขึ้นไปจะรู้ทันกิเลสที่คอยหลอกให้เรา อยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้โดยที่ไม่รู้ว่ากำลังสร้างความทุกข์ให้กับใจของเราไม่รู้ว่าเรากำลังจุดไฟเผาตัวเราเองอยู่ด้วยความอยากต่างๆพอเราดับความอยากได้แล้วเราจะเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์เกิดขึ้นมาภายในใจคือความล่มเย็นเป็นสุขทั้งๆที่เราไม่ได้ มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่เรากลับรู้สึกว่าเรามีความสุขมากกว่าตอนที่เรามีเราเป็นอีกต้องหลายรา้อยเท่าด้วยกันนี่คือปัญญาบามีจะสอนให้เรารู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวถัดสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นถ้าเราอยากจะดับความทุกข์ก็ขอให้เราดับความอยากเถิดวันไหนที่เรามีจิตใจไม่สบาย มีความทุกขุ่นวายใจลองถามตัวเองว่ากำลังอยากได้อะไรกำลังอยากให้อะไรเป็นอะไรใช่ไหมอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมหรือไม่อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้หรือไม่อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้ใช่ไหมจิตใจของเราจริงวุ่นวายถ้าเราตัดยอมรับความจริงว่าเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยก็เป็นไปฝนจะตกแดดจะออกก็ปล่อยมันตกไป เท่านั้นเองมันก็จะหมดปัญหาไปถ้าเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นเราก็จะทุกข์ทรมานใจนี่คือปัญญาบา ร, รมีผู้ที่มีปัญญาบา ร, รมีแล้วจะไม่ยึดติดกับอะไรจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างตามธรรมชาติของเขาเขาจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปร่างกายจะแก่ก็ปล่อยให้แก่ไป ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยให้เจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเจ็บไปใจเราไม่ได้เจ็บไปกับร่างกายไม่ต้องกลัวความเจ็บเราไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกายใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายให้เรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ ปล่อยวางได้ใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเลยเช่นใจของพ่พระพุทธเจ้าและใจของพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีใจของท่านไม่มีความทุกข์เลยเพราะท่านปล่อยวางท่านไม่มีความอยากกับอะไรทั้งนั้นอะไรจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเนื่องของเขานี่คือเรื่องของปัญญาบารรมีที่พวกเรามาบรรเทนกัน ส่นปัญญาอย่างอื่นท่านก็บำเพ็ญกันไปอธิษฐานบรารมีก็คือความตั้งใจวันนี้ตั้งใจจะมาวัดนะก็ตั้งตั้งอธิษฐานก่อนตั้งจิตอธิษฐานก่อนถึงจะมาวัดได้วิริยะบารมีก็คือความขยันความภาคเพียรเมื่อมีความตั้งใจแล้วก็มีความภาคเพียรที่จะมามาวัดเดินทางมาวัดนะไม่ขี้เกียจ แทนที่จะนอนอยู่กับบ้านก็รีบตื่นแต่เช้าเตรียมกับข้าวกับปลาอาหารแล้วก็มาที่วัดอย่างนี้เรียกว่าวิริยะ บ, บรารมีฝนตกแดดออกลำบากลำบนอย่างไรก็ไม่วดก็ไม่ไม่ท้อถอยมีขันติบรารมีมีความอดทนนี่คือบรารมีที่พวกเราได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ขอให้เราทำกันไปเรื่อยๆทากันไปให้มากๆ แล้วรับรองได้ว่าบารมีนี้จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วจุดหมายปลายทางที่เราต้องการที่จะไปถึงก็จะอยู่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ เ, เวลาที่จะต้องเดินทางก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆและในที่สุดก็จะได้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายได้ดำเนินไปถึงจึงขอฝากให้ท่านทั้งหลายจง พยายามขวนขวายในการบำเพ็ญบุญบารมีต่างๆนี้ไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วการที่ได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้พบกับพวกพุทธศาสนาก็จะได้ไม่สูญเปล่าจะได้กำไรพบนี้จะได้กำไรจะได้บุญบารมีติดตัวไปด้วยนั่นเองการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา